อันนี้พ่อไม่มาเลยพ่อไม่มาพ่อไม่ยอมไม่ยอมรามันนุโมทนานะพ่อบอกว่าไม่ค่อยสบายเอาเอาใบนั้นมานเอาไปไม่เป็นไรนไปนะเขียนแล้วใช่ไหมเขียแล้วครับผมเขียเ ไปทำบุญต้องอนุโมทนาอย่าไปอย่าไปาขัดขวางถึงแม้ว่าเขาจะาวิกตกกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเดินทางไปไหนมาไหนคนเรามันอยู่ที่ไหนก็ตายถึงเวล า, นานมันจะตายตายตายได้บุญดีกว่าตายแบบไม่ได้บุญวพาบุญเราไปได้ เมื่อกลางวันว่าไปนู่นก็จะตายไปนี่ก็จะตายก็เลยไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนแต่ก็ไม่ให้ประมาทก็ต้องระวังอการเดินทางไปไหนมาไหนก็ควรระมัดระวังอย่าประมาทแต่ไปได้อยากจะไปทําบุญที่ไหนไปไปอินเดียไปออจะไปไหนไปแล้วได้บุญเดี๋ยวก็อยู่แล้วไม่ได้บุญ พบุญนี้สำคัญกว่าอะไรต่างๆบุญนี้เราเวลาตายเราเอาติดตัวไปได้แต่ของเงินทองเขาของเงินทองเราไปไม่ได้บุญเป็นที่พึ่งของเราเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเป็นที่พึ่งในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ด้วยเป็นที่พึ่งของใจทำให้ใจเรามีความสุข ถ้าไม่ได้ทาบุญอยู่กับกองเงินกองทองก็ไม่มีความสุขความโมแต่กังวลห่วงห่วงเงินห่วงทองกลัวมันจะหมดกลัวจะตายจากมันไป เ, เลยไม่มีความสุขกับกองเงินกองทองแต่ถ้าเอาเงินไปทาบุญกลับมีความสุขมากกว่ามีเงินก็เก็บไว้บ้างเก็บไว้ใช้เท่าที่จำเป็นไม่ให้เดือดร้อนส่วนที่เกิน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 เรากลับมาบุญที่เงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญก็รอเราอยู่การมาเบิกได้การมาเกิดรวยกว่าเกา่ามีเงินมากกว่าเก่าอย่งนี้อย่าไปเสียดาเงินทองถ้าจะทําบุญทําไปเลยแล้วให้รีบทําเสียเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ปุบ ป, ปับมันตายขึ้นมานี่ถ้าไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้บุญติด ต, ตัวไปเหมือนถ้าเราไม่เตรียมตัวซื้อตั๋วเรือบินจองที่พักทำวีซ่าเกิดถึงเวลาต้องออกจากประเทศไปเช่นบ้านเมืองเกิดสงครามอยู่ไม่ได้เราจะไปแบบลำบากต้องอบพยพเดินข้ามเดินข้ามป่าข้ามเขาไปแต่บ้านประเทศเพื่อนบ้านพวกมีเงินเขาก็ขึ้นเครื่องกันไป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 อาการอะไรต่างๆก็ดีอยู่บางคนก็หัวใจวายขึ้นมาบางคนเดินข้ามถนนก็เผลอไม่ได้ดูรถจุดอนรถชนตายเร mm. ื่องความตายมันมันรอเราอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกเวลานาที่ถ้าเราประมาทเมื่อไรเราเผลอเมื่อไรตายได้ อย่าประมาพทพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รีบทําบุญก่อนที่เราจะตายกันจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคําอําลาของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะจากพวกเราไปเขาบอกให้รีบทําประโยชน์ประโยชน์ก็คือบุญนี่แหละเวลาเราทําบุญก็เกิดประโยชน์กับเราและเกิดประโยชน์กับคนที่เขารับ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 ถ้าไม่ถ้าตายแล้วเงินเหลือเป็นร้อยล้านพันล้านนี่ก็เรียกตายแบบตายแบบคนโง่ตายแบบไม่ได้รับประโยชน์จากเงินทองของตนคนจจรจาบางคนก็เลยแบ่งเงินไว้เงินที่จำเป็นจะต้องเก็บไว้ใช้ก็เก็บไว้เงินที่จาเป็นที่จะต้องให้ลูกหลานก็แบ่งไว้พอให้มันอยู่ได้ก็พอ ให้มันมากเดี๋ยวมันก็ไปถลุงเสียคนอีกใช้เงินเป็นแต่หาเงินไม่เป็นเดี๋ยวให้เท่าไหร่ก็หมดต้องให้เขาหัดหาเงินเขาเองเดเราวให้เป็นเพียงแต่เป็นของแถมให้เขามีความสามารถหาเงินทองของเขาเองดีกว่าให้ความรู้ให้เขาเรียนหนังสือส่งเข้าไปโรงเรียน ให้เรียนจบให้เขาหางานทำเขาก็จะได้หาเงินทองเขาได้แล้วก็มีเงินให้เขาตะก้อนหนึ่งเวลาเราตายไปให้เขาอยู่สบายอย่าไปให้ทั้งหมดที่เราไม่อยู่เอาไปทำบุญดีกว่าแล้วเราก็จะได้บุญไปเราจะได้ไม่ต้องมารอ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 เวลาเรากลับมามันจะรอเราอยู่ถ้าเราทำถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่รอเราอยู่เหมือ น, นเงินที่เราไปฝากในธนาคารเนี่ยเวลาเราเวลาเราต้องการเราไปเบิกมันก็มีทั้งเงินต้นเงินดอกมากกว่าเงินที่เราเข้าไปซิเงินที่เราฝากในธนาคารบุญก็เหมือนกันกว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หลาย หลายปีอาจจะหลายร้อยปีดอกเบีย้ยก็มากกว่าต้นเลยกลับมาก็ร่ำรวยกับเก่าพระวิชาสันดอนสู้พระเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้พระชายสิท ธ, ธัตถะมีปราสาทสามวดูอันนี้เป็นเรื่องของการทำบุญที่เรามองไม่เห็นกัน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 กลับมาชาติหน้าก็จะไม่มีเงินรอเราอยู่กลับมาก็กลับมายากจนก็อนเ้เดราะนั้นพยายามทำบุญกันให้มากๆอยากจะทำเมื่อไหร่ทำไปเลยเย่๋ยวตั้งหลักตั้งท่าเดี๋ยวเกิดตายไปก่อนมันจะไม่ได้ทำ แล้วต้องทําตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นไม่ใช่เขียนเขียนพินัยกรรมไว้แล้วยกให้คนนั้นคนนี้อย่างนี้ก็ยังไม่ได้บุญตายไปก็ไม่ได้บุ ญ, บญเพราะยังไม่ได้ให้ไปให้ตอนตายตอนตายเราก็ไม่ได้ให้แล้วคนอื่นเขาเออเขาให้ไม่รู้ไปถึงเวลาจริงๆเราเขียนพินัยกรรมเขาอาจจะบอกพินัยกรรมปลอมก็ได้ใช่ไหม บางทีไปขึ้นศาลกันก็บอกเป็นพี่นายปอมพี่นายกรรมอลอะไรเงินที่เราคิดว่าเราได้ทําบุญก็เลยไม่ได้ทําง<ม>ั้นถ้าให้มันแน่นอนก็ทําตอนที่เรามีชีวิตอยู่เลยอะถ้ารู้ว่ากําลังใกล้จะตายก็รีบทำไปเลย<ม> ย, กยกให้เข้าไปเลย<ม>แล้วใจจะมีความสุขความสบายไ ม, ไม่กังวลด้วย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 แล้วก็ไม่ทําบุญเอาตายไปกับความที่ห่วงเงินห่วงทองห่วงสมบัติก็เลยกลับมาเกิดเป็นบ้านหมาในบ้านของตนเพื่อจะได้อยู่ใกล้สมบัติพระพุทธเจ้าท่านเดินผ่านมาท่านเห็นหมาตัวนี้ท่านก็เห็นจิตใจว่าหมาตัวนี้เป็นเจ้าของบ้านที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับมาเกิดในท้องหมา พระพุเจ้าก็เลบอกลูกๆของเศรษฐีคนนี้ว่าเลี้ยงหมาตัวนี้ไว้ให้ดีนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้อย่าปล่อยให้มันไปไหนนะรักเลี้ยงมันไว้ให้ดีอเดี๋ยวไม่นานมันก็ไปขุดสมบัติให้เพราะมันรู้เนี่ยมันเป็นคนที่ไปฝังเองทนะําไมจะไม่ไปรู้ว่าไปฝังไว้ที่ไหนอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องที่เล่ากันมา เห็นอยากเขียนพินัยกรรมถ้าอยากจะทําบุญก็ยกให้ใครไปเลยแล้วเราก็จะสบายใจเหมือนกับบริจาคอวัยวะก็เหมือนกันบริจากตอนตายมันไม่เหมือนกับบริจาคตอนเป็นเนี่ยบริจาคตอนเป็นเนี่ยมันรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าเราได้เสียสละเราจะมีความสุขความสุขเนี่แหละคือบุญ เช่นบริจากตาให้คนหนึ่งสักข้างหนึ่งแม่ตาบอดนีอยากให้แม่เห็นก็เลยแบ่งตาให้แม่สักตาหนึ่งนี่หรือไตเสียแบ่งไตให้เขาสักไตหนึ่งปอดเสียแบ่งปอดไปซักอันนึ่งให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อถ้าบริจากอย่างเงี้ยได้บุญแต่ถ้าเขียนเขียนใบสั่งไว้ว่าตายไปเอาไปบอยจากให้สปากาชาตินี้ มันไม่ได้บุอนะเพราะเราไม่รู้ว่าไปหรือเปล่าตอนที่เราตายมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วเราไม่สามารถหยิบไปให้คนนั้นหยิบให้คนนี้ได้สั่งให้เขาหยิบไปไม่ได้ฉันก็มันต่างกันทำขณะที่มีชีวิตอยู่กับทำที่ตายไปแล้วมันความรู้สึกไม่เหมือนกัน ตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปทำตามที่เราสั่งหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าทำตอนนี้เรามีชีวิตอยู่นี่เราเห็นผลทันตาเลยเห็นคนที่จะตายนี่แข็งแรงกลับมาแข็งแรงเดินเหินได้ทำอะไรได้เราก็มีความสุขใจจากการที่เราได้เสียสละแบ่งปันให้กับของที่มีค่าให้กับผู้อื่น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 อย่างที่เขาพูดว่าปิดทางหลังพระนี่ได้บุญกว่ามากเพรามีความสุขใจเี่ความสุขใจที่เราได้ทําโดยที่เราไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนนอกจากผลที่ได้จากการทําบุญทําบุญนี่มันมีผลในตัวแล้วเหมือนกับกินข้าวเนี่ยกินข้าวมันก็อิ่มแน่ๆไม่ต้องเขียนป้ายติดไว้บอกว่าเรากินข้าวหรอกเขียนไม่เขียนมันก็อิ่ม ให้เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเราทําไปตามกําลังของเรามีมากมีน้อยเราก็ทําไปอย่าให้ตัวเราเดือดร้อนอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเจ้านี่หน้ากรินเนี่ ย, นนยอย่าทําบุญหน้าใหญ่ก็เลยไปบังคับคนอื่นแจกซองให้เขาช่วยมาร่วมบุญด้วยอย่างนี้ไม่ถูกการบอกบุญมีสองลักษณะบอกบุญแบบให้เขารู้ แบบบอกบุญแบบบางครั้งให้เขาทำบอกบุญแบบเขารู้นี่บอกได้เช่นบอกเพื่อนฝูงว่าเดี๋ยวปีนี้จะไปทอดกระถินที่นั่นที่นี่นะแต่ไม่ต้องเอาซองไปให้เขาหรอกแต่ก็อยากจะร่วมบุญเขาหาซองได้ซองมันจะหายากที่ไหนถ้าก็มีเงินทําบุญก็ไอซองใบเดียวทําไมก็ไม่มีเงินไปซื้อใส่มาเลยเปิดโอกาสบางคนเขาไม่มีโอกาสได้ทําบุญใหญ่เรา มีโอกาสทําบุญใหญ่ก็เปิดให้คนอื่นเข้าได้ร่วมด้วยด้วยการบอกบุญเขาบางคนมีเงินน้อยจะไปทอดกระถินเป็นเจ้าภาพก็ไม่ไหวก็ต้องรองกระถินสามวันคี้รอใครเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปร่วมบุญกับเขาดั้นการบอกบุญบอกได้แต่อย่าไปบอกในเชิงบังคับ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 พอบางทีเขาก็เดือดร้อนเขาไม่มีนี่เราไปพูดในเชิงบังคับเขาเขาไม่ทําเขาก็เดี๋ยวกลัวจะเสียเพื่อนเอหรืออาจจะมีบุญคุณต่อกันเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนเนรคุณไปเลยทําให้เขาเดือดร้อนต้องเอาเงินที่อาจจะต้องไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นอาจจะอเอาเงินไปให้ค่าเราเรียนของลูกอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวก็ไม่มีเงินให้ค่าเราเรียนลูกเพราะต้องเอาเงินมาทำบุญเหนันจะทำบุญจะเป็นเจ้าภาพกระถิ่นก็เพียงแต่บอกก็แล้วกันบอกคนที่รู้จักกันบอกคนที่เขาเขาเคยสั่งไว้ว่าที่ทำบุญช่วยบอกหน่อยนะอย่างนี้เราก็บอกเขาคนที่ไม่เคยสั่งไม่เคยสนใจที่จะทำบุญกับเราเราก็อย่าไปบอกเขา เดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับการไปบังคับเขาเราคนอื่นมาร่วมเท่าไหร่บุญของเราก็ไม่ได้มากกว่าเงินที่เรา เ, เสียไปเราเราบริจากเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นแ่ละสมมติเราบริจากแสนหนึ่งแล้วคนอื่นมาร่วมอีกแสนหนึ่งเป็นสองแสนเราก็ได้แค่แสนเดียวของเราอีกแสนหนึ่งก็เป็นของคนอื่นเขาไปอยู่ดีเพียงทาตามกําลังของเรา ทำมากทำน้อยไม่สําคัญอะ่ะทําแล้วขอให้เราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนทําแล้วให้เรามีความสบายใจมีความสุขใจเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินก็ยังมีบุญอย่างอื่นที่เราทําได้ที่มากกว่าบุญที่เราได้จากการทําทานซิามาอยู่วัดเนี่รักษาสีงแปดเนี่ยได้บุญเยอะกว่าการไปทําเป็นเจ้าภาพกรถิ่นอีก แต่อยู่มันต้องอยู่นานๆไม่ชิวแค่วันสองวันไปอยู่วันสองวันมันก็ได้นิดเดียวเหมือนกินข้าวปากแค่คำสองคำมันก็ยังไม่อิ่มถ้าอยากจะกินให้มันอิ่มต้องกินไปเรื่อยๆกินไปจนมันกว่าจะอิ่มะพวกถือศีลแปดนี่ยก็ต้องรักษาไปจนวันตายนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นศีลจริงที่แท้จริง ถ้าเป็นศีลแบบชั่วคราวนี่มันเหมือนกับเอาเสื้อผ้ามาใส่สองสางมวันแล้วแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เดินล่อนจ้อนต่อไปกนไม่มีศีล น, นี่ก็เหมือนกับคนไม่มีเสื้อผ้านะความสวยงามของคนเรานี่ไม่ไดีอยู่ที่เสื้อผ้าผ่อนะแต่อยู่ที่ศีลคนเราจะชอบหรือจะไม่ชอบคนก็อยู่ที่เขามีศีลหรือไม่มีศีลถ้าเขาเป็นคน ฆ่าคนรักทรัพย์คนประพฤติผิดประเวณีคนโกหกหลอกลวงคนเดื่มสุลายาเมาเราจะชอบเขาไหมแต่คนที่ไม่ไม่เดื่มสุรายาเมาไม่โกหกไม่รักทรัพย์ไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเพราะนั้นแหละเป็นคนน่ารักอยู่เดียบใครก็ไม่มีใครรังเกียจ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 พอผู้ที่มีศีลจะมีความสุขนะ อ, ยอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจเวลาทําบาปนี่ใจจะไม่สบาย mm hmm. เวลาไปประพฤติผิดประเวณีเวลาไปโกหกหกลอกลวงเวลาไปลักทรัพย์ mm hmm. ไปช่อโกงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ใจจะไม่สบาย mm hmm. แล้วตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบาย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 ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องเป็นเจ้าภาพกระถิ่นไม่ต้องไปเป็นเจ้าภาพผ้าป่าไม่ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็ได้ไปแค่สวรรค์ชั้นเทพแต่ดีตรงที่กลับมาคนที่ทำทานก็จะรวยคนที่ไม่ได้ทำทานกลับมาก็ไม่รวยกลับมาก็ต้องมาบวชมาเถิดศีลแปดใหม่ แต่คนที่ไม่คนที่ถือสินแปดมีความสุขมากกว่าคนที่รวยความสุขที่ได้จากการรักษาศีลแปลดนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการมีเงินมีทองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไปบวช ท, ทําไมพระพุทธเจ้าท่านก็มีทรัพย์สมบัติต้งเยอะแยะแต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เดี๋ยววันดีคืนดีมันจากเราไปก็ได้หรือต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่สามารถที่จะนะเสพสมบัติเหล่านี้ได้ก็เลยไปบวชดีก่กาไปเสพสมบัติที่เสพได้ตลอดเวลาสมบัติที่เราจะเสพได้ตลอดเวลาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาก็คือความสงบน เรามาถือศีลแปดเพื่อยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลิกดูหนังฟังเพลงเลิกร้องนําทําเพลงเลิกหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานได้แต่รับประทานเพื่ออยู่อย่าไปอยู่ก็รับประทานอย่ารับประทานเพื่อความอยากตามความอยากรับประทานวันละมือ้อสองมื้อก็พอหลังเที่ยงวันก็ไม่ต้องรับประทานแล้วพอแล้วสําหรับร่างกาย อาหารพอเพียงแล้วไม่ตายแน่ๆไม่อดตายจะได้เอาเวลามานั่งสมาธิกันถ้ากินอาหารเย็นเดี๋ยวก็ตั่งมัวนั่งรอกินนะกินอาหารเย็นอีกพอกินอาหารเย็นเสร็จเดี๋ยวก็ง่วงอีกนั่งสมาธิก็สับประอกหลับอีกแต่ถ้าไม่กินอาหารเย็นหลังจากเที่ยงวันไปกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอบ่ายๆก็ไม่ง่วงนะ้วิงมันหิวยิงไม่ง่วงใหญ่เลย นั่งสมาธิได้สบายพุทโธพุทโธไปจิตก็สงบมีเวลานั่งได้เยอะแยะตั้งแต่เที่ยงไปถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนถ้ามารอกินอาหารเย็นก็เหลื อ, อหรือไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งไม่ได้กินอิ่มแล้วก็หนังตาหย่อนหนังท้องตึงนะคนที่อยากจะไปสวรรค์ชั้นพรมคนที่อยากจะ มีบุญมากๆได้บุญมาก ๆ, ๆนี่ต้องอดทนหน่อยต้องอดกับการหาความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเ ก, ยกิดก็ก็ไปปฏิบัติขั้นขั้นที่ขั้นต่อไปก็คือไปเจริญวิปัสสนาไาเจริญปัญญา แต่พิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราในความจริงมันให้ความทุกข์กับเราทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราได้แฟนมาเราก็คิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราแต่ความสุขก็ให้ตอนช่วงใหม่ๆท่านเข้าใหม่ปลามันพอไม่นานอา้าวเขาเปลี่ยนไปแล้ว เคยให้ความสุขกับเรากลายเป็นให้ความทุกข์กับเราไปแล้วคอยด่าเราคอยว่าเราทุกตีเรากลายเป็นกระสอบทรายให้เขาซ้อมเวลาทำอะไรที่เขาไม่ถูกใจเวลาเขาอยากให้ทำอะไรไม่ทำตามใจเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธเราความทุกข์ท้งท้งร่างกายเป็นอย่างนี้ทุกอย่างได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป เวลาได้มาใหม่ๆก็ดีไปหมดพอต่อไปมันก็เก่าพอของเก่าแล้วมันก็อย่างเขามีคคำพูดใหม่ๆหน้าตาจุม๋มจิ๋มเก่า <c oughs> ๆมันเป็นสนิมนะ <c oughs> อย่าไปหลงกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันเป็นความสุขช่วคทาวที่จะ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 ที่สุดทั้งก็พบว่าข้อความอยากนี่แหละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรัดความอยากเป็นนุ่นอยากจะเป็นนี่ความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันเลยทําให้ใจเราต้องคอยไปเ อ, อวิ่งหนีวิ่งหาอยู่เรื่อยก็เลยต้องกลับมาเกิดอยากจะหารูปเสียงกลิ่นนัดก็ต้องไปหาร่างกายพอตัดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิด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 รักษาศีลห้าก็สู้รักษาศีลแปดไม่ได้รักษาศีลแปดก็สู้รักษาศีลสองรอยี่บเจ็ดไม่ได้แล้วบุญจากการรักษาศีลก็สู้บุญที่ได้จากการนั่งสมาธิไม่ได้ความสุขมันมากกว่ากันเราวัดบุญที่ความสุขใจความสุขใจนี่จะมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับของการปฏิบัติ ระบุนที่สูงสุดก็บุญที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆถ้าไม่มีความอยากแล้วอยู่อย่างเป็นสุขเลยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่อยากอะไรอิ่มตลอดเวลาที่ใจเราหิวเพราะความอยากพออยากอะไรปั๊บมันหิวขึ้นมาเลยพอหยุดอยากปั๊บมันก็อิ่มขึ้นมาเลยไม่เชื่อลองดูเถเย็นนี้หิวข้าเราไม่กินแล้ว พิธียังไม่กินง็นนึกถึงข้าวที่เวลามันออกมาจากในท้องเรานี่เห็นข้าวที่ออกมาจากในท้องเราเราก็ไม่อยากจะกินแล้วอิ่มขึ้นมาเลยพอไม่อยากกินมันก็อิ่มขึ้นมาไม่หิวเลยสบายหรือสินแปกได้สบายเลยอนี่ก็คือบุญต่างๆที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาทํากันนงเราทําได้ อาทำอะไรได้ก็ทำไปอันไหนเราทำไม่ได้ก็ผ่านไปทำในสิ่งที่เราทำได้ไม่มีเงินทำบุญไม่มีเงินเป็นเจ้าภาพกระถิ่นก็ไม่ต้องทำมันไปรักษาศีลห้าก็ได้รักษาศีลแปก็ได้ไปนั่งสมาธิก็ได้นี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินทองไปฟังเทศฟังธรรมไม่เกิดปัญญาก็ได้เนี่ยอย่างตอนนี้มาฟังเทศฟังธรรมได้ปัญญาไปแล้ว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 ได้ไปวันสองวันมันระเบิดขึ้นมาตายจะเอาไหมอย่างในสมัยนี้มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วไหมซื้อมาแล้วมันไหม้แล้วเนี่ยตอนนี้เขาสั่งรถขายแล้วนะอเครื่องที่ไหม้อยู่เนี่ยถ้ารู้ว่ามันซื้อมาแล้วมันไหม้จะซื้อมาหรือเปล่าของทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นเหมือนระเบิดเวลามันจะระเบิดขึ้นมาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้มันจะให้ความทุกข์กับเราได้ ถ้าเห็นว่ามันเป็นระเบิดเวล า, าเห็นว่าเป็นยาพิษก็จะไม่มีความอยากแต่เห็นราบยศสรรเสริญสูกว่าเป็นระเบิดเวลานี้ไม่อยากได้หรอกแต่มันเป็นระเบิดเวลาจริงๆเวลาจเจริญรากก็ดีใจกันเวลาเสื่อมราบ ก, ก็อยากจะกระโดดตึกตายกันเวลาได้แฟนมาก็ดีใจกันแต่งงานโอโ้โหสนุกสนานกัน เวลาทะเลาะ ก, กันก็อยากจะอยา ก, กันน่ยทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันสุกรอมมันทุกแท้แต่เราไม่เห็นกันเราไปคิดว่าเป็นสุขแท้ทุกปลอมคิดว่าทุกไม่มีหรอกมีแต่สุขได้นี้มาแล้วจะมีแต่ความสุขแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้ทีหลังเสีย อ, อกเสียใจทีหลังรืง น, นี้ไม่น่าเลยไม่มีดีกว่า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 ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็หยุดความอยาก <_' lles> ปล่อยทุกอย่างเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาอยากไปยุ่งกับเขาแเราชอบไปยุ่งกับเขาเองชอบไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็ไปทุกข์กับเขา<ๆ>ไปทุกข์กับลูกอยากให้ลูก ด, อกกดีอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอลูกไม่ดีก็ทุกข์กับลูก <_' S 1> อย่าให้สามีดีพอสามีไม่ดีก็ทุกข์อีก อยาให้ร่างกายเราดีพอมไม่ดีก็ทุกข์อีกอย่าไปอยากเราจะไม่ทุกข์แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้จะไปให้เขาเป็นอย่างนั้นได้ไงเหมือนกับก็เป็นส้มจะไปเปลี่ยนให้ก็เป็นกล้วยได้ไงส้มก็ต้องเป็นส้มกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยคนเรานี่เป็นเหมือนผลไมน้นะบางคนก็เป็นเหมือนกล้วยบางคนก็เป็นเหมือนสับ ป, ปะรด เขาเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปอย่าประหยัให้เขาเป็นอย่างอื่นเราชอบกินกล้วยเขาเป็นสับปะรดกระยายให้เขาเป็นกล้วยขึ้นมาอย่างนี้นี่คือบุญต่างๆนะเอาไปทำกัน เลือกทำเอาทำได้มากยิ่งได้บุญมากไม่ทำก็ไม่ได้บุญ <c oughs> ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พอรอยยาท้าวาเลยวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินงังเปต า, างอุปกปัปตเ อิจิตังปัทิจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันะระโสยธามณิจโตติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะ พ่วาทานาสีดิสนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวทานเตอายุวโนสุขังภาลางังมีใครอยากจะถามอะไรนะก็ถ า, ถามได้นะ<ม>สงสัยอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมา รู้เรื่องพินักรรมนะครับมีความประสงค์ทั้งผมและภรรยาผมนะครับ อ, อว่าถ้าถ้ายังมีชีวิตอยู่ไดยก็ทําบุญตลอดอยู่แล้วอืมแต่ถ้าตายไปเนี่ยรัสมบัติทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่กองออกองหนึ่งให้พ่อให้แม่ อ, อที่เหลืออีกสามกองเนี่ยจะเขียนเป็นชื่อวัดต่างๆนะครับอะไรอย่างนี้จะได้บุญไหมครับตอนตายไปแล้วเ <c oughs> ค<ำ>ยไมครับใชเขียนพินัยกรรมตามถูกกฎหมายนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านี่ ไปเราตายไปเราไม่ยังไม่เห็นกับตาเราอ๋อถ้าไม่ตายก็ทำ เ, เนนรื่อยๆแต่พอดีถ้าตายก็จะถ้าการกระทันหานขึนน้นมาก็จะให้ขายสมบัติทิ้งทุกอย่างแล้วก็เออให้ถวายตามวัดต่งางๆที่เราปรารถนาไว้นะครับ อ, อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าเพราเรามันยังไม่ได้ให้ใช่ไหมเราให้ตอนที่เราตายมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วคนอื่นอๆจะมา มาแย่ง ไ, ไปก็ได้อาจจะไปฟ้องร้องศาลว่าพินัยกรรมเขียนไม่ถูกอะไรขึ้นมาตั้งใจจะให้พวกทนายป้าเป็นคนล่างให้นะครับเพื่อทางที่ดีก็ให้ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะเก็บมันไว้ทําไมน่ะพูดถึงว่ากรณีตายกระทันหันค่ะก็ก็ทําวันนี้เลยแต่ตะโกดจะตายกระทันหันก็ทําวันนี้ไปเลย ให้มันดูแลนรู้ลอดไปสิไนไหจะให้เข้าไปแล้วจะเก็บไว้ทาไมอ่ะเผื่อไม่ตายนะแล้วแต่ว่ายังยังไม่ให้จริงนั่นเองเผื่อเผื่อไว้เกิดเวลาถ้าต้องการเงินขาดเงินก็ยังเอามาใช้ได้ใช่ไหมเอออย่างนี้ก็ยังไม่ได้ให้อย่างงี้ยมีลูกก็เดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงอะไรก็อย่างนี้ก็ก็ยอมรับว่าไม่ได้ให้นะจริงไหม ถ้าให้ก็ให้ไปเลยสิมันจะได้หมดเรื่องเลยยังจะต้องบวชเลยค่ะแต่ทำไว้ก็ไม่เป็นไรทำได้เพียงแต่ว่ามันพูดตามตามหลักบุญมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาแล้วเวลาเราตายไปเราก็ไม่รู้ว่าเราสิ่งที่เราสั่งกัาไว้มันเป็นไปตามที่เราสั่งหรือเปล่า ็ว่า ส, สั่งน้องชายมาแล้วถ้าน้องก็ทําให้หมดทุกอย่างตามที่เราป ร, ประสงค์แล้วเราจะได้บุญไหมคเราจะไปรู้ได้ยไังไงว่าเขาทาตามที่เราประสงค์เขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เกิดเขายันขาดหรืออะไรขึ้นมาก็ อ, อาจจะเปนเปลี่ยนพินัยกรรมใหม่ก็ได้ไป <c oughs> แต่แม้โลกนี้กระดาษมันเ <c oughs> ขียนได้มันก็ลบได้นะมันถึงถึงที่ว่ามันมันต้องมีความรู้สึกต้องมีการรับรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้ว่าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเรามั น, ม, นมันเรามันไม่มีความรู้สึกว่าเราได้ให้ใช่ไหมอย่างตอนนี้เอาตายออกไปให้เขาทักอันหนึ่ ง, น, งนี่ยมันจะรู้เลยว่าโอ้เราได้บอยจากตายเราจะมีความสุขใจขึ้นมาเลยที่ได้ช่วยชีวิตเขาเนี่ยให้เขาได้อยู่ต่อไปได้แต่เราให้เราตายแล้วค่อยเอาไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอาไปช่วยใครที่ไหนได้หรือเปล่าเพราไม่รู้ก็ไม่ไดุ้ญ ไม่ได้บุญในใ จ, ในใจเราใจเราไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ได้ประโยชน์คนที่เขารับใตของเราไปเขาก็ยังได้ประโยชน์เขาได้ต่อชีวิตเพียแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาได้หรือไม่ได้เพราะเราไม่เห็นกับตาของเราเพราะว่าทั้งครอบครัวก็ไปบริจากันมาหมดเลยเอก็ <laughs> อดีอ่ะก็ก็ทําได้แต่มันไม่ได้เป็นบุญเป็นประโยชน์ บุญกับประโยชน์ไม่เหมือนกันนะประโยชน์ก็คือเกิดทางร่างกายประโยชน์ทางร่างกายแต่ประโยชน์ความสุขจังจิตใจมันไม่ได้เกิดนะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรทําไปก็ดีดีกว่าไม่ทำนะํำ mm hmm. แต่ถ้าอยากจะได้บุญจริงๆก็เอาให้ตอนที่เรามีชีวิตยอยู่นะ่ะ ใครตาบ่อยก็แบ่งตาก็ไปทักข้างเลย <c oughs> เราจะรู้สึกรารู้สึกนี่คือบุญเวลาให้อะไรไปสละของที่เรารักไปยิ่งของที่เรารักมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งได้บุญมากพอเราจะได้สลัดอุปทานสลัดความโหแหวนที่มีอยู่ในใจเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันเวลาที่เราจะต้องจากมันไป ก็ไปบว็จะได้ทำบุญได้อย่างเต็มที่เลยอือเอ้ยรูจะมีบุญหรือเปล่าค่ะทุกคนดูยู u b e ทุกวันครับแต่ว่ามืดๆน้ำมองไม่ค่อยเห็นอาจารยก็อย่างที่บอกว่ามันภาพไม่สำคัญไงเพราะที่เรามาฟังนี่เราฟังเสียงกันมากกว่าภาพมันก็เหมือนเดิมจำสองถึสี่โมงทุกๆวัเพราะช่วงนี้มัน ตรงนี้มออ่ยหตรงันช่วงหน้าฝนของทางภาคตะวันออกนี่ฝนมันจะตกทุกวันเลยฉนั้นบ่ายๆมันภาษาอังกฤษเราฟังไม่ค่อยรูเรื่องเพราะวันทั้งวันเลยภาษาอังกฤษไม่เระวันนี้ช่วงช่วงแรกเท่านั้นนหะก็พอดีมีคนเขาพูดภาษาอังกฤษเขาถนัดภาษาอังกฤษก็เลยพวกเราก็จะได้หัาเรียนภาษาอังกฤษไปในตัวฟังทำแล้วยังได้ภาษาอีกด้วย อดีเขามาไกลนะเขามาจากแคนาดานะไปดูได้ก็อยู่ไกลขนาดไหนก็ยังมากันก็ลเลสอนเขาหน่อยสอนได้ครับอดีเป็นเด็กด้วยเด็กเพิ่งอายุยี่สิบให้เขาได้รู้จักศ า, าสนาก็ฟังของเก่าก็ได้ของคลิปเก่าก็มีดูย้อนได้ด ผมมีเยอะแยะอะไรเนี่ยตั้งแต่มาถ่ายทอดเนี่ยถ้าถ่ายทอดสดก็ตั้งแต่พุทธสภามาเนี่ยทุกวันถ้าจะไม่มีเว้นเลยเนี่ยพุทธสภามาเนี่ก็หลายเดือนเหมันก็เหมือนกัน่พูดเรื่องเก่านั่นแหละวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นอ่ะเรื่องทำทานรักษาศีลภาวนาเรื่องกิเลสตัณหา เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องอะไรต่างๆแล้วภาพมันจะมืดก็ไม่เป็นไรถ้ามีเสียงสมัยที่อยู่กับหลวงตาเวลาหลวงตาเรียกประชุมตอนกลางคืนก็ไม่มีไฟฟ้าซาลาก็อย่างเงี้ยแล้วก็จุดเทียนสองดอกแค่นั้นแหละมานั่งฟังกันมานั่งฟังแล้วก็นั่งหลับตาฟังกันไปไม่ได้มาลืมตาไปดูที่หน้าตาท่าน ท่านบอกเวลาฟังธรรมอย่าสนใจไปหาคนแสดงให้มีสติอยู่กับที่ใจเราให้รับรู้เสียงที่เข้ามาสัมผัสแล้วใจจะได้สงบ <c oughs> ถ้าไปคอยดูลูกง ใ, ใจมันจะไม่สงบตามันอตามันจะปิดมันจะออกไปทางตาถ้ามันออกไปข้างนอกไปที่ลูปนี่มันจะไม่สงบถ้าหลับตาแล้วก็ฟังเสียงเนี่เดี๋ยวมันก็สงบ คนที่นั่งสมาธิไม่เป็นบางทีเขาว่าใช้การฟังเทศเป็นวิธีทำใจให้สมองได้เวลานั่งก็ตั้งจิตมีสติอยู่กับการฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรให้ฟังเสียงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเสียงธรรมก็จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสมองบางคนขี้เกียจพูดโธฟังไม่ต้องทำอะไรนั่งฟังเฉยๆนั่งฟังตั้งใจฟัง มีเสียงเกาะไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็สงบฉันถึงบอกว่าเวลาดูถ่ายท่อดสดเวลาดูคลิปนี้ถ้ามันมืดไม่เป็นไรหรอกภาพไม่สำคัญสาคัญที่เสียงขอให้มีเสียงเท่านั้นถ้าไม่มีเสียงแล้วมีภาพก็ไ ม, ม่ไม่มีประโยชน์อะไรธรรมะไม่ได้อยู่ที่ภาพธนะรรมะอยู่ที่เสียงนะใช่ไหเสียงธรรม เวลาฟังก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องมีศีลศีลก็คือกายกับวาจาต้องสงบกายก็ต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรไม่ขยับวาจาก็ไม่คุยกันไม่พูดกันเพราะว่าถ้าเราขยับนวดขยับนี่คุยกันแสดงว่าเราไม่ได้ฟังล่ะมามัวแต่มาขยับร่างกายมามัวแต่คุยกันเพราะเสียงธรรมเข้ามามันไม่เข้าไปในใจมันเข้าหูซ้ายออกหูขวา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 ปัญญาก็คือคอยพิจารณาตามคอยฟังเหตุฟังผลพิจารณาตามเหตุตามผลที่แสดงไว้ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นปัญญา <c oughs> ถ้าฟังแบบนี้แล้วก็จะเรียกว่าฟังแบบลิ้นกับลิ้นกับแกงฟังแล้วจะรู้ว่าแกงเป็นรสชาติอะไรถ้าฟังแบบคุยกันฟังแบบทำนู่นทำ น, นี่ก็เหมือนกับทับพพีในหม้อแกงทับพีกับแกงมันไม่รู้ ทับพีไม่รู้รสของแกงหรอกต่อให้ทับพีแช่อยู่ในหม้อนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่แกงที่มันแช่อยู่นั้นมันแกงอะไรแกงจืดหรือแกงเผ็ดหรือแกงหวานมนไม่รู้แต่ถ้าเป็นลิ้นเนี่ยเพียงแต่หยดเดียวก็รู้ว่าเป็นรสอะไรแล้วยังไงถ้าอยากจะฟังทําให้เกิดประโยชน์นะต้องฟังด้วยศีลสมาธิปัญญา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 เป็นเจ้าภาพกระถินถ้าไม่รักษาศีลตายไปกไ็ต้องไปอบายอย่างนี้นิยบายไม่พ้นถ้าอยากจะไม่ไปอบายนี้ต้องรักษาศีลถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพกรถินก็ไม่เป็นปัญหาอะไรฟ <c oughs> ังแล้วถ้าเกิดความเข้าใจมันก็จะเกิดปัญญาทำให้เรอาอไม่หลงกับการกระทำที่มันไม่ถูกทำแล้วไม่ได้ผล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 ถ้าอยากจะได้บุญต้องเห็นตอนเนี้ยอย่างตอนนี้โยมาของมาถวายเห็นผ้ารับกับมืออ่าได้แล้วเนี่ยใจก็สบายแล้วมีความสุขละอ่าไม่มีใครถามอะไรจะให้ทางบ้านอ่ะไม่เหรอเด็กท้ามาอันนี้สองกองการทั้งประโคดเดียวแล้วกัอ่าผ้ามันจะได้ไม่หลุดง่ายอันนี้สองก็ถ้าไม่มีรครอบเดียวเดี๋ยมันก็เดินไปเดี๋ยวมันก็หลุ ด, ดสิ อโยมจอบค ำ, คลบคำ เ, เลยตวายที่ลูกบาศก์ก็ดีแหละเพราะมันไม่มีประโคเดวมันก็เดี๋ยวผ้าก็หลุดเดินมินทบาทไป<笑><笑>ประโคเดวนี่ก็เป็นหนึ่งในอัฐาบริขาเนี่ยผ้<ส>านี่มีสมบัติอยู่แปดชิ้นมีผ้าสามผืนมีบาดหนึ่งใบมีประโคเดลหนึ่งอันมีมีโกนหนึ่งเล่มมีที่กองน้ามีมเข็มกลับได้ นี่คือสมบัติของจำเป็นกับของพระขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะลาบาก่าปดประคตเอวเดี๋ยวก็ผ้าหลุดถ้าไม่มีใบไม่โกนเดี๋ยวก็ไม่ได้โกนหนวดโกนผมเดี๋ยวก็จะกลายเป็นรูสีไปหนวดเขานุงลังที่กองน้ำว่าต้องตักน้ำในป่าน้ำในป่านี่มันมีตัวสัตว์ถ้ามีที่กองน้ำตักก็ําก็จะไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมา บายก็ต้องมีไว้สําหรับเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปบินทบาทถ้าตายก็มีไว้สําหรับสวมใส่ปกป้องรักษาร่างกายพระพุทธเจ้าบอกสําหรับพระนี่มีแค่แปดชิ้นนี่ก็พอแล้วมีมากก็วุ่นวายพลุงพลังแล้วก็เป็นภาร ะ, ะมันต้องกงังวลต้องการต้องดูแลรักษาเห็นแม่ญาติโยมมีข้าวของเต็มบ้านเลยพลุงพลังไปหมด บางทีมากจะกระทั่งไม่อยากออกจากบ้านแม่ไหนกลัวสมบัติจะหายแทนที่จะ ม, มีความสุขกับสมบัติกลับตั้งมาเป็นภาระกับสมบัติสู้ไม่มีดีกว่าเจ้สอนแบบอยู่แบบนกไปแบบนกนกเวลามันบินไปไม่มีข้าวของติดตัวไปไปมันก็ไปอย่างสบายมีสมบัติมากก็มีภาระมาก มาพอลุงมพลังคนที่จะมีสมบัติน้อยได้ต้องเป็นคนที่มีใจที่สงบเพราะใจสงบแล้วมันจะไม่หิวมันไม่ต้องการอะไรที่ต้องมีบาตมีอนี่ก็เพื่อเลี้ยงเลี้ยงร่างกายไปวันวันหนึ่งเท่านั้นงถ้าร่างกายกมันจะตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วถ้าใจสงบแล้วไม่ต้องพึ่งร่างกาย ใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งความสงบก็คือทำนี่แหละทำ ม, มังสะนังกฉามิสมาธิทำปัญญาทำรรสติทำรรจะทำให้ใจสงบที่เรากล่าวถึงทำ ม, มังสะนังกฉามิก็เนี่ยก็คือความสงบนี่ตออันนี้เราไม่มีกันเวลามีปัญหาอะไรท่นที่จะใจสงบนิ่งวอยไว้กัน บนกันดา่ากันว่ากันแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วใจเราจะเฉยใครจะดีใครจะชั่วก็เรื่องของเขาใครจะเป็นใครจะตายก็ห้ามก็ไม่ได้ไปวุ่นวายทำไมไปทุกข์กับเขาทำไมใจมีความสงบแล้วจะไม่ทุกข์กับใครไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไอท้ที่ปะกดเวนี่ใช้เวลามากไหมทะเส้นหนึ่งเนี่ยตั้งใจทำก็มาวันหน้าหรอคะวน้เนี่ยปีชั่วโมงอ่ะา้หนึ่งกันเส้นองเส้นในวันนึ่งแตวนวัทถุสำเร็จกับงฝันมาอีกที่หนึ่งค่ะเรายอมเลยหยอมค่ะีกันขมเนี่ยปะกดเอวเขาเข้มขันลัดเอวเนี่ยทำด้วยไทด้วยไหมเนี่ยสาธุถึโยมเองค่ะ ขอบทั้งทอไปถวายค่ะก็ผาดผันไปเห็นของหงู่มันหงปอุ่มกันเลยชอบทั้งนะคะอ่ดีเป็นของสำคัญไม่งั้นเดี๋ยวล่อนจ้อนนะเดี๋ยวเดินไปพลาดหลุดมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเ็าถาม ถามว่ามาถ้านหนูสงสัยอะค่ะคือของว่าเป็นพยาบาลจิตเวชและหนูสงสัยว่าคนที่มีปัญหาทางด้านจิตเขาต้องเป็นถึงขนาดไหนเขาถึงว่าจิตหลุดได้ขนาดนั้นนะคะสติไม่มีไเพราะสติไม่มีก็ปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปพอฟุ้งซ่านก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นเลยทาให้มีมีความอยากอยากจะให้หายหยิ่งอยากมันก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่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 ว่าคนที่จะ็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขาก็จะเจออะไรหลายๆอย่างที่แบบเข้ามาค่ะแต่คนที่แบบที่เขาเป็นอยู่ดีเขาพูดต้องพูดออกมาอยู่ดีเขาก็พูดเรื่องอะไรเงี้ยเขาคิดอะไรของเขาอยู่ใช่ก็ไม่มีสติก็ไม่รู้ว่าเขากลังคิดอะไรเหมือนคนเมาเหล้าไงคนไม่มีสติก็เหมือนคนเมาเหล้าคิดอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาอยากจะทําอะไรก็ทําไปไม่มีสติมากั้นกองมายับยั้งความคิดของตน ว่าควรจะคิดควรจะพูดเมื่อควรจะทําหรือไม่คนที่มีสตินี้จะมีมีการกั่นกรองก่อนเอ๊ะเราพูดนี้ดีหรือเปล่าเราทํานี้ดีหรือเปล่าถูกก็เปล่าผิดหรือเปล่าตรงนี้เขาไม่มีเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยเวลาปกติก็เป็นคนดีดีพ้องมีสติคอยกั่นกรองความคิดอยู่พอกินเหล้าปั๊บสติหายไปเลยนี่อยากจะพูดอะไรก็พูดเไม่ว่าจะหยาบคายออกมาอะไรเมาแล้วเนี่ย เพราไม่มีสตินในศีลห้าพระเจ้าเลยห้ามไม่ให้ดื่มโซราความยิงดื่มโซดาเองมันไม่ได้เป็นการทำบาปเพียงแต่ว่ามันจะทําให้จิตแลทําให้เราไปทํำบาปได้ง่ายพอเราไม่มีสติแล้วเราก็จะพูดจะทําอะไรโดยที่เราไม่มีการยับยัง้งชัง่งตชั่งตวงใจไว้ก่อนถ้ามีสติอย่างตอนนี้เราก็คิดก่อนได้ไหม จะนอนตรงนี้นอนไหยไม่นอนอะไรแต่ถ้าเมาเาล้ารับรองนอนไหมไม่เหลื อ, ลอใช่ไหมนั่นแหละเวลาเมาแล้วมันไม่สนใจมันไม่คิดอะไรแล้วมันอยากจะทําตามความอยากของมันสนสติเนี่ยเป็นตัวตัวที่ทําให้คนบ้าหรือไม่บ้าก็ถึงเรียกว่าเสียสติไงเห็นไหมคนเสียสติ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 ก่อมภาษาก็เหมือนกับเหมือนกับให้เขานอนหลับไปอย่างเงี้ยไม่เขารับรู้เรื่องราวต่างๆไม่เขาคิดแม่เขาคิดมากพอ<ม>ถ้าไม่มีการกล่อมระสาเดี๋ยวเขาคิดคิดมากแล้วเดี๋ยวเขากาล่าวว่าถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุก็ต้องมาสอนให้เขาหัดเจริญสติสร้างสติขึ้นมาซึ่งมันยากเหมือนกับสอนเด็กเนี่ยเด็กมันขนาดคน ผู้ใหญ่ยังสอนยากบอกให้พุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดอะไรถ้าทำได้จะมีสติมากนี่ใจจะไม่มีไม่มีวันเสียสติ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าถึงบอกสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดหาสติแล้วไม่สามารถทำอะไรที่ดีงามได้ อยากจะไปนิพพานอยากจะได้สมาธิได้ปัญญานี้ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็เหมือนคนเมาเหล้าเหมือนคนเสียสติคนบ้าเอาคนเหล้าเอาคนบ้ามานั่งรักษาศีลได้ไหมเอาคนบ้ามานั่งสมาธิได้ไหมไม่ได้หรอกเขาไม่มีการกัดกรองไม่มีการยับยับยั้งช่างตวงใจของเขาช่างตวงความคิดของเขาว่าตอนนี้เขากาลังคิดอะไรอยู่ อา้าวใจไหมสรุปก็คือเราไม่สามารถช่วยเขาได้เลยนอกจากพวกที่ยังพอที่จะรับฟังว่าอรลองให้สอนให้เขาอุบายพี่ลองนั่งสมาธิดูเลยลองดูว่าเขานั่งได้ไหนลองให้เขานั่งท่องพุทโธพุทโธไปแต่บางทีเขาทําไม่ได้เพราะไม่มีสติที่จะควบคุมใจเขาเดี๋ยวใจเขาอยากจะทําอะไรก็ไปแล้วอยากจะคิดอะไรก็ไปแะ ไม่ได้อยู่กับพุโทโธขนาดพวกเรามีสติดียังควบคุมมันไม่ได้แนตะ่ให้มันอยู่กับพุโทโธได้ห้านาทีก่พอเดี๋ยวมันก็แวบไปนะแวบไปนะเป็นพยายามรักษาสติไว้เจริญสติไว้อย่างน้อยก็ได้ป้องกันไม่ให้เราเป็นคนบ้า อ, อย่งแม้ังไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานอะไรก็อย่างน้อยก็ให้เราเป็นมนุษย์ปกติไม่บ้า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 แต่ถ้าเราชนะมันถ้ามันถ้ามันยอมแพ้แล้วมันจะหายอึดอัดเวลามันอยากจะทำอะไรแล้วเราสู้กับมันเนี่ยไม่ให้มันทำถ้ามันยอมแพ้มันหยุดอยากว่าเราเบาเลยเบาอกเบาใจสบายใจแต่ถ้าเราสู้มันไม่ได้ก็ต้องไปทำตามที่มันอยากพอทำแล้วมันก็เป็นเจ้านายเรมันก็จะสั่งให้เราไปทำต่อเรื่อยๆทำครั้งนี้ได้เลยครั้งหน้ามัสั่งให้เราทาอีก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 มันก็เลยนอนไม่หลับถ้าจะนอนหลับนี่ถ้ามันไม่คิดเดี๋ยวเดียวมันก็หลับถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวเดียวไม่กี่นาทีก็หลับนะคำถามจากคุณ ก, กุ๊บไก่ถ้าเรามีเงินทองจากการเป็นเจ้ามือหวยบอนแล้วนาเงินที่ไดมาทาทานสร้างโบสถ์สร้างศาลาแบบนี้เราจะได้บุญไหมครับได้เงินที่เราได้มานี่ถ้าเราไปทำบุญเราก็ได้บุญ ส่วนบาท้าการหาเงินของเรามามันเป็นบาปมันก็ได้บาปด้วยแต่การที่ได้เงินมาจากอบายามุขนี้มันก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นเจ้ามือหวยได้มาจากการเล่นการพ น, นันนี้มันยังไม่ได้เป็นการทำบาปคือบาปมันต้องผิดศีลถึงเรียกว่าบาปเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาถึงจะเรียกว่าบาป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 เขาก็อาจจะต้องขายบ้านขายช่องขายที่ขายนาเพื่อมาเล่นเอย่างนี้ก็จะทําให้เขาเดือดร้อนถ้าอยากจะหาเงินหาทองหาเงินแบบ ท, ที่มันเป็น อ, อาชีพสุจริตไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นดีกว่าซึ่นเปิดร้านเซเว่ยขายของเนี่ยคนเสียเงินเขาก็ไม่เขาก็ได้ของไป เ, ไเขาก็ไม่เสียหายอะไรแต่คน คนเล่นการพนันเขาเสียเงินไปเขาไม่ได้เลยกลับไปเลยเวลาเขาเสียเขาก็เดือดร้อนแทนที่จะเอาเงินไปซื้ออาหารมากินก็วันนั้นก็ต้องอดอัดอดอาหารไป เ, เงินที่เราได้จากการเล่นการพนันนี้เป็นเงินที่มันได้มาจากกองทุกข์ของผู้อื่นอย่าหาเงินแบบนี้หาเงินแบบที่ทําให้ผู้อื่นเขาไม่เดือดร้อนเช่นเปิดร้านขายของเนี่ย คนที่เขามาซื้อเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาซื้อของไปเขาก็ได้ของไปทำประโยชน์เราก็ได้เงินเอาเงินนี้ไปทำบุญเราจะได้ความสุขความสบายใจมากกว่าคำถามจากคุณสุพรรณีตอบของการเกิดปฏิจจสมุทปานั้นใช้ระยะเวลาเพียงชั่วขณนะที่เกิดการผัสะและเราเกิดอุปทานว่าตัวเราเป็นผู้ได้รับเวทนานั้นแล้วเกิดทุกข์หรือสุข หรือว่าจะต้องใช้เวลาหลายชาติหรืจะครบรอกคะไม่หรอกมันเกิดทุกระยะทุกเวลาเนี่ยพอคิดแป๊บมันก็เกิดแล้วคิดถึงขนมมันก็เกิดแล้วคิดถึงขนมมือก็ไปจีบขนมมากินแล้ะตันหาเกิดกินเสร็จก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาแล้วะเกิดความสุขก็เกิดอุปทานอยากจะกินอีกเดี๋ยวก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปหยิบมากินอีกบางทีร่างกายมันมพอแล้วแต่ใจมันไม่ยอมหยุดนะ มันหลายรอบกินทีหลายหลายรอบทุกครั้งที่เราสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเรามันเป็นรอบหนึ่งไปแ ล, ล้วมันเร็วมากมันแบบที่เหมือนกับฟ้าแลบนี่ยฟ้าแลบนี่มันครบรอบนะพอคิดปั๊บหยิบขนมมากินปั๊บนี่ยเด็ดไปรอบหนึ่งแล้วแล้วพอคิดกินอีกก็อีกรอบหนึ่งแล้วงั้นอย่าไปสนใจรอบมันเลยสนใจที่ว่าอย่าไปทําตามความอยาก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 ที่ทำนี้แสดงมาทั้งหมดเพื่อให้เรามันตัดความอยากถ้าเราเข้าใจว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยกับเราทุกครั้งที่มันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราฝืนมันได้แล้วก็เราก็ตัดกิเลสไปได้เรื่อยๆนะเช่นเราอยากจะสูบบุหรี่แเราติดบุหรี่ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่แล้วก็อยากไปสูบมันพอไม่ปพอพอไม่สูบสักไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากมันก็หมดไปเราก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ต่อไป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 ถ้าลองลองทำแล้วมันไม่ถูกกับเราเราก็อย่าไปทำมันลองเอาพุโทโธอย่างเดียวแล้วลองเอาอการดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้อย่าผสมกันก็ได้ถ้าผสมกันแล้วนั่งแล้วสงบก็ได้แต่ให้มันได้ผลอย่างที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้เขาได้ผลละใจสงบนะใจนั่งได้ตั้งสองสามชั่วโมงนี่ถือว่าเก่งนะ พวกเรานี้นั่งแค่ห้านาทีสิบนาทีก็นั่งไม่ไหวแล้วปวดอัดนะไอ้ที่ทําให้เราดอัดไม่ใช่อะไรไอ้ตัวความอยากนี่อยากจะไปทํานูน่ทนทํานี่มันก็เลยทําให้รู้สึกปวดอัดขึ้นมาถ้าเรามีพุโทโธอยู่เรื่อยๆมันก็จะกดความอยากได้พความอยากมันถูกกดไว้มันก็นั่งต่อไปได้อย่างสบายไม่รู้สึกเป็นอัดคำถามจากคุณท็อป อยากให้สามีเลิกเล่าแต่เขาสัญญาหลายครั้งเขาไม่ทําพระจานย์มข้อคิดอย่างไรให้เลิกเล่าบ้างครับก็เขาเป็นคนเขาเป็นส้มเราอยากให้เขาเป็นกล้วยทําไมเนี่ยเขาเป็นส้มก็ปล่อยเขาเป็นส้มไปเลยมันไม่มีวันจะเป็นกล้วยได้หรอกนอกจากเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองเขาเปลี่ยนตัวเ้าเองได้จากส้มให้มันเป็นกล้วยได้แต่เราไม่อยากไม่ได้หรอกเราก็ ขอร้องเขาแล้ว ก, ก็จบแล้วถ้าเขาทาเขารับปากแล้วเขายังทําไม่ได้ตัวเขาเองก็อยากจะทําตามที่เราอยากแต่เขาก็สู้ความอยากของเขาไม่ได้เอเ้นเราต้องทําใจแล้วนึกปองนะว่ามันเป็นกรรมของเรากรรมของเขากรรมของเขาก็คือเขายังต้องติดชุลาต่อไปกรรมของเราก็คือต้องมีผัวที่ติดชุลา <c oughs> ถ้าอยากจะหมดกรรมก็อยา ก, กันรส์ <c oughs> ถามจากคุณพุธปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อมาหลายเดือนค่ะใช้คำเทศของหลวงพ่อแทนคำบริกรรมสามารถเข้าถึงความสงบได้บ่อยๆแบบนี้ปฏิบัติถูกและจะเรียกว่าติดเสียงเทศได้ไหมคะก็ได้มันก็ติดนะียถ้ามาแต่ก็จะทำให้เราต้องคอยฟังอยู่เรื่อยๆความจริงเราก็ควรที่จะหัดนั่งโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงเทศบาง คือฟังเทศไปแล้วจิตสงบก็ลองดูดูลมหายใจต่อไปแทนต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอาศัยเสียงเทศเพราะท่านต้องอาศัยเสียงเทศเราก็ต้องมีเสียงเทศอยู่เรื่อยๆถ้าเราไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีเสียงเทศเราก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ในเบื้องต้นถ้าเรายังนั่งไม่ได้เองก็เอาเสียงเทศไปก่อนพอเรามีสติมีกําลังพอเราก็ลองดูลมหายใจแทนเสียงเทศไป เรือลองบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอาศัยเสียงเทศเพราะมันเสียงเทศมันเป็นของภายนอกมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันเป็นอนิจจังแต่การมีสติอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธที่มันอยู่กับเราไปตลอดเราสามารถที่จะใช้มันได้ตลอดเวลาคําถามจากคุณปัถมา ขอทราบความหมายคําว่าทำอันเป็นปรมัตดค่ะทำมันเป็นปรมัตดปรมัตดนี้มันเป็นคู่กับธรรมที่เป็นสมมุตินะเข้าใจไหมตามที่เป็นสมมุติก็คือสิ่งต่างๆที่เรามีชื่อตั้งมันขึ้นมาเนี่ยเป็นสมมุติทั้งนั้นเช่นตั้งสร้างกายนี้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอันนี้เป็นสมมุติ แต่สิ่งที่ทำให้ร่างมีร่างกายมีร่างกายมนุษย์มีร่างกายสัตว์เป็นผู้มีร่างกายหญิงร่างกายชายสิ่งประกอบนี้มันเป็นปรมัดคือมันเป็นดินน้ำลมฝฟยร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายมาจากดินน้ามลมฝัยอันนี้มันเป็นปรมัดคือเป็นของที่เหมือนกันหมดทุกคนของ เพียงแต่ว่าพอมามีรูปร่างลักษณะต่างกันเราก็เลยให้สมมุติให้ชื่อต่างกันไปอันนี้เป็นสมมุติเฉั้นเราต้องให้เข้าถึงธรรมที่เป็นปรมธตรเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ทุกข์กับธรรมที่เป็นสมมุติเพราะธรรมที่สมมุตินี้ทําให้เรายุดติพอเราได้ร่างกายเราก็จะมาถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราหรือร่างกายของ แฟนเราเราก็จะไปยึดติดว่าเป็นของเราร่างกายของลูกเราก็ไปยึดติดว่าเป็นของเราแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีการรวมตัวแล้วก็ต้องมีการแยกสลายไปเวลาร่างกายตายไปธาตุทั้งสีที่มีอยู่ในร่างกายก็แยกกันไปคนละทางน้ำก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่ง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 นี่คือปรมัตดคือสิ่งที่ที่เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดไม่มีชื่อเขามีแค่เขามีแค่เคนี้มีแค่สี่อย่างรวมกันแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรู้คือใจที่มาเป็นมาครอบของร่างกายนี้ตัวนี้ก็เป็นธาตรู้ธาตรู้แล้วก็มาครอบของร่างกายแล้วก็มาหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็มาทุกข์เพราะว่า มันไม่ได้เป็นของเราพอมันจากเราไปเราก็ทุกข์กันเราจึงไม่อยากให้ร่างกายตายเพราะเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแต่ความจริงมันเป็นดินน้ําำลมไฟที่มารวมกันแล้วเดี๋ยวมันต้องแยกจากกันเราจึงต้องมาศึกษาปรัตญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำมาจากดินน้ําำลมไฟแล้วก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร มีการรวมตัวแล้วเดี๋ยวก็มีการแยกตัวออกจากกันแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกันต้นไม้ใบหญ้ามันก็รวมตัวกันเป็นต้นตุ้งไม้เป็นใบหญ้าถ้าเดี๋ยวมันก็ตายมันก็แยกกลับไปเป็นดินแยกกลับไปทางน้ํากันไปนี่คือปารมัดธรรมที่เป็นปารมัดก็คือดินน้ํำลมไฟธาตรู้นี่เป็นปารมัตดส่วนสมมติก็คือเนี่ยเขาเราหญิงชาย พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดานายกสอส อ, อันนี้สมมติทั้งนั้นเน่ยแล้วไปติป้ายไว้กับร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้เป็นสสร่างกายนี้เป็นกำนันร่างกายนี้เป็นนายกอันนี้เป็นสมมติเดี๋ยวบางทีเขาก็ดึงป้ายออกทิ้งไปเปลี่ยนป้ายใหม่ จยากนายกให้ไปเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาประชาชนธรรมดานี่เรียกว่าสมมุติให้เข้าใจเพื่อเราจะได้ปล่อยวางทุกอย่างทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเป็นดินน้ำนมไฟมันจะกลับไปสู่ดินน้ำนมไฟในที่สุดองถามจากคุณนาะ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 เราก็จะหลงกับภาพที่เราไปดูไปคิดว่าเป็นนนตนเป็นนี่ขึ้นมาซึ่งมันแค่เป็นแค่ภาพมโนภาพที่เกิดขึ้นในใจเราเท่านั้นอาจจะเป็นภาพที่เป็นจริงก็ได้ภาพที่เกิดมาในอดีตนี่ก็เป็นได้ชาติก่อนอาจจะรลึกอาจจะรลึกถึงชาติก่อนได้ว่าเคยเป็นอะไรมาแต่นั่งแบบนี้มันไม่เป็นประโยชน์ถึงแม้จละรลึกชาติได้มันก็ไม่ได้ทาให้เราสามารถไปกาจัดกิเลสตัณหาไปตัดพพตัดชาติได้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 ถ้าใจเป็นสมาธิใจเป็นกลางแล้วจะเฉยเฉยกับทุกอย่างแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติทางศาสนาพุทธแต่การนั่งสมาธิที่มันมีมีวิชาอย่างอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าเดลฉานวิชาอนกชาติได้มีตาทิพหูทิพอะไรพวกนี้วิชาเหล่านี้มันวิชาที่ไม่สามารถดับความทุกข์รู้การเงินวายตายเกิดได้ พราจารย์ถึสอนว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ปราศจากความรักชังกลัวหลงต้องการตัวนี้พอเวลาเราออกจากสมาธิเราจะได้เอาตัวนี้มาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆเวลาใครด่าเราเราก็จะไม่ชังเขาเวลาใครเขาชมเราเราก็จะไม่รักเขาเราก็จะเฉยๆแล้วเราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่มีความทุกข์ ถ้ารักเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งถ้าเรารักเราได้เกิดมันหายไปเราก็จะทุกข์ลวถ้าชางังถ้ามันยังไม่ไปเราก็ทุกข์ละแต่ถ้าเราไม่มีรักไม่มีชงังขยัดาขนาดก็ปล่อยก็าด่าไปก็เป็นนมปากกันนั้นเองใจก็จะเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ยคุณลองไปด่ากับต้นเสานี่เลย ด, าาเด่ามันเดี๋ยวคุณก็เมื่อเดี๋ยวคุณก็เมื่อยเยคุณก็หยุดดานะ่าอย่างเงี้ยได้ไหม ทำใจให้เราเป็นเหมือนต้นเสาไม่มีปฏิกิริยากับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกเลิ้ยงกายเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินนี่คือวิธีการดับความทุกข์วิธีที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าไปมีวิชาเป็นเหมาะเห็นานาญจิตเห็นนาณาโกศเดี๋ยวก็เป็นเอาเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเอาไปทำมาหากินใชไ โอ้เราดูรูหมอได้ทำนายทายทักได้เดี๋ยวคนก็มาหาเราเยอะแยะนั่งหลับตาแป๊บเดียวบอกเา้านิดหน่อยเขาก็จ่ายเงินให้ละมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไป ด, ดูกรรมดูอดีตได้อะไรีก็เป็นจริงค่ะพระอาจารย์บางคนก็จริงบางคนก็ไม่จริงพ<อ>ระพุทธเจ้าเนี่ยท่านดูกำรรของเราได้รู้ว่าพวกเราแนาดีตชาติทาอะไรมา ตายไปแล้วนาคตของเราจะไปเกิดที่ไหนต่อท่านดูท่านดูได้คนที่ดูได้จําเป็นต้องมีศีลนีคือมันต้องมีสมาธินะ่ะคนที่ยังมีสมาธิก็อย่างน้อยก็ต้องมีศีลแปดโดยทั่วไปนะยกเว้นคนที่เขาอาจจะเคยมีมาเล่าในอดีตแต่มันต้องมีศีลแปดนะ่ะถึงจะนั่งสมาธิได้ถึงจิตถึงจะสงบได้ แต่ถ้าพวกที่มีรู้แล้วไม่มีศีลแปลแลดจะแสดงพวกของปลอมนั้นเองเพราะว่าไปเห็นคนที่เขาว่าเห็นเห็นแล้วก็กินเหล้า<ม>เล่นไพ่ตกแตตกยุงไง อ, อย่างนี้แสดงว่าเห็นปลอมไม่ได้เห็นจริงนะคนที่เห็นจริงนี่ก็ต้องมีศีลหรือศีลแปดขึ้นไปถึงจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้จริงๆพวกที่นั่งหลับนั่งหลับตามุบมิฟเดี๋ยวเดียวเห็นนู่นก็เป็นพวกหลอกกัน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 ก็เลยเป็นเครื่องมือให้หก็หลอกเราพเนีย น, <c oughs> นะดูความจริงดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกถ้าจะดูนะเขาก็ดูว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแค่ น, นี้ก็พอดีไหมอ่ต่อคำถามจากคุณกูปเป้การทำให้สติมีกำลังมีกี่วิธีครับสี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ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 มันมีหลายวิธีอยู่กับเมตตก็ได้เจริญเมตตานี้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งแล้วก็สวดสัพเพสัตตาอเวลาหรนตุอัปยาปชาหรนตุอนิคาหรนตุสวดไปเรื่อยๆสวดไปทั้งวันก็เหมือนกับพุทธโธเรียกว่าเป็นการเจริญทมวิหารสีเจริญเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสติเหมือนกัน พิจนานึกถึงซากศพก็ได้มีศพมีอยู่สิทชนิดเนี่ยก็เป็นการเจริญเหมือนกันจเจริญ อ, อสุภะก็เป็นการเจริญสติแต่เห็นซากศพแล้วจิตมันจะนิ่งมันจะสงบถ้าจิตที่ไม่กลัวนะถ้าจิตที่กลัวก็ดูไม่ได้นถ้าจิตที่กลัวแล้วเดี๋ยวหดหู่ใจไม่กล้าดูไม่กล้ามองเพรฉะนั้นกรรมฐานบางชนิดนี้ไม่เหมาะกับคนบางชนิดไม่เหมาะกับเจริตของคนบางชนิด ต้องดูเจริตของเราว่าเราถูกกับอะไรราคาจริตนี่จะเหมาะกับพวกอสุภะเห็นแล้วจิตมันจะเย็ น, นจะสงบอย่นพวกพวกที่เป็นโมหะเจริตนี่ถ้าเห็นความตายแล้วอาจจะกลัวขึ้นมาเห็นก็ต้องลองดูเข้าถึงสอนของที่เป็นกลางใช้ได้กับทุกคนก็คือพุทโธเนี่ย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 อยู่กับร่างกายนี้มันจะเฉยมันจะว่างมันจะเย็นจะสบายมีความสุขไม่มีความอยากไม่มีอารมณ์ดังนจ้นการฝึกสตินี้มีประโยชน์มากเราจะป้องกันไม่ให้เราเป็นคนบ้าอ่านหแล้วยังาาาถามจากคุณสุภจิราโยงเคยทำสมาธิจิตสงบพอเป็นโพงอยู่ข้างใน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 เราต้องให้มันอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่าไปคิดถึงผลที่เกิดขึ้นในอดีตนให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้คำถามจากคุณนะัทนั่งสมาธิประมาณสามสิบนาทีจะเริ่มรู้สึกปวดขามากเราควรจะอดทนไม่ขยับหรือให้อดทนให้เห็นความไม่เคที่ยงคะ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 พอเกิดสุขเวทนาก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆถ้าไปเจอทุกขเวทนาก็อยากจะให้เขาไปเร็วๆเวนี่ยก็เกิดนี่คือกระบวนการของทำงานของใจเราโดยอาศัยตัวตัวเชื่อมคือวิญญาณอันนี้เขาเรียกวิญญาณในขันห้ามีอยู่ห้าทางวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกลิ้นกายเนี่ยมีห้าทาง อันนี้เรียกว่าวิญญาณในขันห้าส่ววิญญาณอีกตัวหนึ่งนี่คือวิญญาณที่เวลาร่างกายนี้ตายไปจิตที่มีทั้งขันห้ามีขันมีนามขันเนี่ยมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายไอตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในใจที่เป็นตัวรู้เนี่ยอยู่รวมกันแล้วเวลาออกจากร่างไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันจากเป็นใจให้มันเป็นเวดวงวิญญาณไปแค่นั้นเอง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 อันนี้เป็นคนละคนละตัวกันอันนี้เรียกว่าวิ็ญาณในขันห<ม>้าวิญญาณในในขันสี่ในนามขันพาใจนะคำถามจากคุณกูลถ้าฟังทำแล้วเข้าใจจะทําให้บรรลุธรรมได้ไหมครับก็ต้องนําไปปฏิบัติต่อเพราะการฟังธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับการที่เราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนโรงเรียนถ้าเราอยากจะผ่าน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 ถ้าไม่อยากจะทุกกับกาแฟก็เลือกดื่มกาแฟยอย่าไปอยากดื่มกาแฟพอเราไม่ดื่มกาแฟต่อไปมีกาแฟไม่มีกาแฟเราก็จะไม่ทุกกับมัน น, นี่คือถ้าอยากจะได้ผลจากการฟังเทศฟังธรรมต้องเอามาไปปฏิบัติแทนมีแฟนแล้วทุกก็อย่าไปมีอยู่คนเดียวดีกว่าอันนี้พอเลือกไม่มีแฟนเราอยู่คนเดียวได้ก็ไม่ทุกกับแฟนอีกต่อไป ถ้าทุกข์กับลูกเพราะอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ก็ต้องหยุดความอยากอยากไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์กับเขาต้องนํามาไปปฏิบัติถึงจะเกิดผลคำ ถ, ถามจากคุณเทมปุละฝึกสมาธิทุกๆเช้าแต่จิตไม่นิ่งถ้าเวลาเราเข้าได้เราจะรู้สึกแบบไหนคะอันนี้อธิบายยากนะเพราะว่าเมื่อกี้ฟังอยู่คงจะรู้ว่าเข้าไปแล้วมันก็จะเบาจะสบายจะเย็น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 หมดแล้วเลยอ่ะคำถามจากคุณกนลบพรเมื่อก่อนคิดว่าเราคงไม่กล้าดูที่เขาขาดตัดคนหรือศพที่มันหนึ่งดูในมือถือแล้วใจก็คิดว่าไม่กลัวและเคยดูหนังสือของหลวงตาทีแรกดูแล้วก็กลัวแต่ตอนนี้ดูแล้วไม่กลัวเรียกว่ามีสติพิจารณาใช่ไหมคะใช่จิตมีความสงบมีสติยับยั้งกิเลสความกลัวได้ ถ้าคนไม่มีสตินี้พอเห็นภาพที่น่ากลัว น, นี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆมันก็มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นว่า อ, อ๋อมันก็เป็นร่างกายของเรานี่เองเนี่ยมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาเราอยู่กับมันตลอดเวลาไม่เห็นกลัวมันเลยพอไปดูผ่าสมน์อะไรไปกลัวหรือไม่ไม่ดูของเราบ้างเนี่ยเราอยู่กับมันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยตับไตแท้พุงเราไม่มีเลยโครงกระดูกเราไม่มีเลย